ผีกองกอยมันห้องอยู่ข้างๆกุฏิลงพรนะตอนตีตีซีซีที่ผ่านมันขึ้นกอะก้องก้อยก้อ ย, อยโอ้ห่องคักวะ่ะไก่กุฏิถึงบอพอสองสามว่าเนอะเบิ่งๆมันห้องขักวนะ่าหนกพีกองก้อยมันมาหออา้องยังไงวะพอห้องไปแล้วหาเงียบไปบนะ้านพ่อหาเงียบไปสักพักหนึ่งตนใหม่ ญ่างนี่ยินงไม่ย่างโคนทั้งหลังวัดหอมตายน่มน่มันมันโคนทับกูบานะ่เนาะอ๋อนกพีของกอยมาหาบอกเข้ า, นนเาเลย้านนี้วะเขาเลยบอกลมาหาพระย่เวนชลาเฮ้ยพระบมมนไ์ใ ห, หักทับกุฏิพระบนอบาดเนี้วะทั้งหลังวัดกูนะดังเลว่าไม่ย่างอีตั้งหกักพราะทำคสองโอบได้ไมตัวเนี้ว่าเสียงดังปเนี้ ไปบอกว่างนะวะวาว่ากรรมนาฮาไม่ทับกุฏิพาให้เจ้าหนทักที่เทียอย่างนันกรรมมันตายเราวก็ดไข่รับเข่มแล้วก็ตายแล้วก็แล่วพ่อหกัหกขาหักแขนหกักอุยอุยว่ามีโปรัยซอยโ่รัยได้ไปบองไหมราทุกจาตาไปหายเงียบไปอีกสักพักหนึ่งบน่นหนนกผีกองกอยมันมโหองอีกสองตัได้บ่ไหนกลับมาอีกว่เนี่ยมันหายเงียบไปแล้ว หองก้อยก้อยแต่หนึ่งห้องไก่แต่หนึ่งห้องไก่ปะอือมันคงมารายงานมาบอกไปยัางตกลงพอหอบอกหักทับพระก็ลูกพี่ของก้อยมันมันมารายงานอีกคนอนึ่งไ่บอกไปย่างตกลงพอเใม่ก็จะบอกาหม่บอหักทับพระดอกที่วายนั่นเองยังมามารายงานหลวงพ่อน่อยไปอีกสักหน่อยหนึ่งห้องแล้วก็ไปลูกปี่องก้อย โดนแล้วไนดะ้บ่นอะยินหาได้ยินเมื่อคืนนะ่ะนกผีกองกอยคือนกเป็นนกฮูกชนิดหนึ่งแต่คนมาอยู่วัดนะ่ยถ้าได้ยินเสียงมันเสียงเย็นนะกลางคืนมันเงียบอีกต่างหากว่างั้นเถอะไอ้พวกที่มานอนวัดเ น, นี่ยรยมากไอ้คนขี้กลัวผีอยู่แล้วนะ่ะพอได้ยินเสียงนกฮูกตัวนี้ร้องโอ้ยเอาผ้าข้อมือแล้วข้อมอีกแลว้วงั้นเถอะมันร้องอกองก้อยก้อยก้อย ก้อยก้อยก้อยเนี่ยนกนกนีนะ่นกหูก็เนี่ยนกนี่ก็เหมือนกันนกกลางพนมามาถึงตรงนีนะ้มันจะลองเป็นหมู่ขึ้นมาเลยนะมารวมกันร้องเนะเสียงสนานวันไวสรุปแล้วมันมาเห็นชาลาเรามันมาร้องประเทศไทยลงลำเนื้อาชาติเสื้อไทยเป็นประชาลัต <c oughs> ว, ว่าเหตไใ้ เพราะมันมาอยู่มันมาอยู่ใกล้ศาลามันเห็นศาลาเราเอ่ใครเขาว่าศาสนาเนี่เป็นล่มประเทศชาติบ้านเมือง อ, อยู่เย็นเป็นสุขข่าได้อยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะร่มศาสนาเอ่พราะนั้นมาเห็นศ า, าลาหลวงพ่อเห็นพระเห็นเนี่ยอยู่ศาลาเนี่ยร้องไอ้เมื่อมันร้องเพียงชาตินานอย่างลักษณะงั้นเหรมันไปพรามาเห็นแล้วจากนั้นก็หาเงียบไปล้ว นกกรลงมันร้องเพลงชาติหลายตัวมันร้องพร้อมกันแล้ถ้ามันมาเนี่ยมันมาเจอแล้วมันจะมาร้องมาเจอสลามันจะร้องเสียงจนันบันไว้พร้อมกันนะเหมือนกับร้องเพลงชาติลักษณะอย่างนั้นเมื่อวานหลวงพ่อบอกให้เนี่ยพวกช่างที่ทำขุดตีหลวงพ่อท่านรัตนะท่านหลวงตาชลีแต่ก็ทำดี ทำดีละเอียดทำได้ดีแต่ว่าจะทำตั้งแต่นูน่นตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาเนี่ยก่อนเข้าพรรษาจะเสร็จก่อนเข้าพรรษาเซ็ตหรือเสร็ จ, รจทำพอทำแล้วก็ทำมาเรื่อยก็ยังไม่เสร็จหอยมันพอหยุดมา้าเข้าพารรษาแล้วอะเข้าพรรษาก็ยังไม่จุดจนเตือนครึ่ง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 เพรรถมันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งเข้าวิ่งออกมันลำคาญลำคาญนะ่ยไม่ถึงกับเสียงสนั่นบันไว้แต่มันก็มีนะงานมันก็ต้องมีเสียงนะแต่ผู้ที่ทำเขาอยากจะทําให้มันปลาณี็ดทำให้มันดีแต่ดูผลงานก็ดีปราเน็ดดีแต่ว่าความล่าช้าเนะี่ยหลวงพ่อไม่ชอบความล่าช้าพอทํามันก็ต้องรีบทําที่เตรียมพร้อมจะก็ จัดช่างมาเลยมาทำมาลุ่มมาตุ้มมาตุ้มยังไงมันจะเสร็จเร็วๆอย่างนั้นเพ่จึงจะถูกอพอมากุติหลวงพ่อเนี่ยนูลงพ่อไปหาหลบพักที่อื่นไปหาหลบพักที่อื่นกลางวันเผอๆกลางคืนยังมีผงอีกควันอีกแพ้ควันอี ก, อกต่างหากแพ้ฝุ่นอีกต่างหาก หลวงพ่อทุกวันมันไม่เหมือนพระน้อยพาหนุ่มน ะ, ะมันจะป่าเข้าเจ็ดสิบแล้ววันนั้นใครจะทําอะไรกับเกีย่ยวกับหลวงพ่อใครก็ตามจะจะทําอะไรเกีย่ยวกับหลวงพ่อเนี่ยต้องรีบทํารีบจัดรีบทําให้มันจบจบไม่ใช่ไปทำแบบเฉยแฉลื่นลังมาวันละคนสองคนมาหลอกกอกแ ก, กะอะไรแกะ ก, กรอกอย่างนี้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 ทำไมไมาคิดไม่ออกของเพียงแค่นี้ใครจะทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับเราต้องรีบทําถ้ามันอยู่ใกล้ชิดเราถ้ามันอยู่ห่างก็ไม่เ ป, ป็นไรยังป่าลํำไยนะก็เอาเถอะป่าลำไยนั่นะก็ปล่อยให้ทําไปแต่ทําไปทําไปแล้วเออเราเห้ยลอยลงไปอีกคงจะยืนโนติดอีกอย่างเก่าแนละ้วสั่งหยุดอีกมันจะไม่ทําทําไมทำเยอะๆเรือ่ อ, อ, อง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 หลักธรรมพินัยจะเป็นยังไงเสียงเหล่านี้มันต้องได้คิดหมดคณะชาธาญาติรวมรวมลูกหลานนะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าคงจะบินทบาทในวัดนะวันพุ่งนี้นะบินทบาทพระจะไม่บินทบาทในหมู่บ้านจะบินทบาทในในวัดที่บินทบาทที่ซาลาก็พี่น้องประชาชนคงจะมามากเพราะเป็นวันเทศ ก, กาลของเขา ในพรรษาเนี่ยจะมีบุญข้าวประดับดินแล้วก็คราววันพุ่งนี้จะเป็นบุญข้าวฉลากไงฉลากกพัดพี่น้องทางอีสานเนี่ยเขาจะมาทําบุญทุกครัวเรือนอหลังไหลแห่กันมาทุกครัวเรือนมีแต่คนเฝ้าบ้านคนสองคนน่ะนอกนั้นทางลูกทางหลานแห่กันมาทําบุญตามปกตินะพอวันพุ่งนี้จะเป็นวันทําบุญ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 พระสงฆ์ทั้งบิณฑบาตทั้งสสายสี่หมู่บ้านก็จะมาปินฑบาต ท, ที่ซาลาใหญ่ที่หน้าป่าลํใหญ่พร้อมกันแล้วก็พว้องค์การก็ให้เตรียมพวกรถพวกขนอาหารกัอย่างที่เคยทำมาคราวที่แล้วนี่แหละพระควรจะแน่แนวบอกลูกศิษย์ลูกหลานของเราควรปฏิบัติตนอย่างไร การจัดโโหงอาหารเพราะว่าวันพุ่งนี้ที่ว่าคนคงจะมามากอยู่และก็พร้อมกันเมื่อเราทานอาหารไหวพระสวดมนต์สมาทานศีลแล้วก็รับศีลรับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราคงจะทําพิธีบรรจุ อธิธาต์พระธาตุของหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าคุณแม่ชีแก้วที่าาชาลาเนี่ยชาลาที่ฉันน้ำของพวกเราข้างบนที่ห้องพระพวกเราได้หลวงพ่อได้เตรียมไว้แล้วอธิธาต์พระธาตุของท่านบรรจุใส่ข้างหลังเป็นตลับแล้วกับพวกเราคงจะพร้อมกัน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 แต่หลวงพ่อไม่ได้ใส่ตลับทองคํานะแล้วก็ไม่ได้ใส่เพชรนินจินดาอะไรใส่แต่พระธาตุอย่างเดียวก่อนนั่นแ่ะก่อนที่จะบรรจุพวกหลวงพ่อจะเปิดให้พวกเราได้ชมได้ดูซะก่อนเมื่อเปิดชมดูเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะปิดจากนั้นก็คงจะได้นำมาบรรจุในองค์ท่านแต่ละแต่ละองค์ถ้าเราไม่เปิดให้ดูก่อน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 ของมันเหมือนแต่เหมือนแต่ไม้เป็นหนุ่มเป็นสาวนะเราจะไปกินอย่างนั้นมันก็ไม่น่าจะถูกกินอิ่มจนเกินไปแล้วก็อิ่นพอประมาณนะถ้ากินอิ่มจนเกินไปกับเมือ่อกล่าบรรทุกรถให้มันหนักเกินไปนะรถมันแบกหนักเกินไปรถมันก็พังได้ง่ายเหมือนกัน น, ะนี่นี่แหละร่างกายเหมือนกับรถอย่างที่ว่านะถ้าออกกําลังกายมันวิ่ง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 เผ อ, อ, อ, อเผอมันหวิวมันห่วอมันโลยแรงเข้าไปเผอเผอเนะบอเบอบ้าบ้าบอบอนมันจะเข้ามาอะไรที่ไหนเพราะอะไรเพราะปล่อยจิดปล่อยใจจนเกินไปคิดอะไรก็ไม่รู้คิดถึงลูกคิดถึงล้านคิดถึงญาติพี่น้องคิดตั้งใครต่อใครจะไม่เคยเห็นหน้าเขาก็ยังคิดถึงเขาเอาพอได้เห็นได้ยินข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดอบ่นคิดอยู่งั้นที่ไหน คิดไม่มีเหตุมีผลต้องคิดพุดโทโธเนี่ยต้องบริกรรมพุโทโธพุโทโธในใจคิดอะไรมากตั้งแต่เราไม่เกิดมากับเป็นอยู่อย่างนี้แหละโลกเราตายไปแล้วก็เป็นอยู่ที่แหละโลกไม่ใช่เราคิดโอ๊ยถ้าข้าตายนี่ยชูเจ้าจีพายทั้งประเทศทั้งโลกนั่นแหะถ้าคอยดูนั่นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นเขาดีโอ๊ยหลวงพ่ออินรีบตายไนดะ้เขาจะว่ายอย่างนั้นอีก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 นอนตาเรื่อมแแมบแมอยู่อย่างนี้อ่าเพราะเหตุไรจะว่าอย่างไงถึงจะรักษาอย่างไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นล่ะร่างกายสังขารของคนเราถ้าบางคนก็คุยโมชีวภาพอย่างนั้นอาหารชีวภาพอย่างง้นอย่างนี้ตึงรักษาสุขภาพได้แต่อีกสักวันหนึ่งตัวเองไป น, นอนอยู่โรงพยาบาลอีกอย่างเก่านั้นมันเกิดแก่เจ็บตายในหลักธรรมคาสอนของพระพทุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วเกิดและแก่ แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้แต่ก่อนที่จะตายนั่นแหละเท่นี่เราจะมีอะไรในจิตในใจของเราโซเฟอร์มีอะไรก่อนที่จะจากรถคันนี้ไปน่ยโซเฟอร์ได้เตรียมพร้อมละยังเตรียมสเสบียงไว้ละยังเตรียมเพชรนินจินดาใส่กระเป๋าไว้ละยังก่อนที่รถคันนี้จะพังอ่ะเนี่ยแหละจุดนั้นแหละสำคัญ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 กำเนิดสี่ชลาพุ ช, ชะเกิดในคันอันทชะเกิดในไข่สังเสรทชะเกิดในเท่าในใครในสิ่งทกปกมักหมมโอปปาติกาเกิดผุดขึ้นคล้ายๆว่าปิญญาเขามาแล้วก็เป็นอะไรเกิดผุดขึ้นมาอันนี้วอกการกำเนิดที่เกิดของวิญญา ชาลาพุชะเนี่ยคืออะไรก็คืออย่างมนุษย์ช้างมา้าวัวควายหมูหมาอันธชาเกิดในใครกับพวกเป็ดพวกไก่พวกห่านพวกนกอันนี้อันธชาสังเสริะชาเนี่ยพวกที่นะ่ะพวกสิ่งไส้เดือนที่มันเกิดในในสิ่งที่หมักหมมบางทีเราเราเอาหมวอน้ําหรืออะไรไปตั้งไว้ในที่หมักหมม มันชื้นมันมีอะไรเกิดขึ้นในนั้นนะอันนี้แหละ ว, ว่าอันทชาาช่ังเสียทช่าโอปปาติกาโอปปาติกาสมัยเป็นหลวงพ่อเป็นเด็กเคยเห็นนะใบไม้มันเกิดเป็นมแมลงแมลงตำข้าวทั้งที่ใบไม้มันติดอยู่ในควันอยู่นะอยู่ในติดอยู่ไม้ไมอยู่แต่ขาของมันอะดิ่นแนวนแนวแนวแนว แต่มันดูยงเป็นใบ ไ, ไม้อยู่ออทำไ ม, ไมแปลกๆเลยอันนี้แหละถ้าจะว่าไปประเภทนันโอปปปาติกะเกิดผุดขึ้นแค่ๆวิญญาณไปเกาะไปเกาะในในใบไม้นะันมันก็เลยเป็นรูปร่างขึ้นมานี่แหละอันนี้โอปปปาติกะเกิดผุดขึ้นนี่แหละกำเนิดมีอยู่สี่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ท่านพูดไว้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 การเรื่องกายถ้าจะเปรียบเทียบกันว่าใจของเราเหมือนกับวัววัวไปกินหญ้ามีอาการหนึ่งวัวที่บัญชีมีอาการหนึ่งวัวที่มันคลายมีอาการหนึ่งวัวที่มันก้าวขาขวาขาขาซ้ายขาหลังขาซ้ายขาหลังแกวงหางแกวนหางแกงแกวงหัวก็นับเป็นอาการของมัน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 ความเป็นมาของพุทธศาสนาความเป็นมาของพระสาวกอันนี้เรื่องพั ส, สูตรเรื่องพระวินัยก็คือกฎระเบียบคือสินสำหรับญาติโยมก็คือศินหศสินแปดสำเนีงก็คือศินอรีอันนี้ก็คือสินกฎระเบียบแต่ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องธรรมที่หลวงพ่อจะพูดถึงเรื่องธรรมก็เรื่องนี้แหละ ชลาพุชะเกิดในครันนะเพราะพระไเจ้าท่านบอกไว้ในพระไตรพิตกท่านบอกว่าในเมื่อพ่อแม่อยู่ด้วยกันสามาีภรรยาต่อไปสมสู่จากนั้นก็เนี่ยมันมีจุดหนึ่งอยู่ในท้องของแม่เหมือนเหมือนกับน้ำมันงานอยู่ในมดลูกเหมือนกับน้ำมันงาหยดหนึ่งจากนั้นน้ำมันงาหยดนั้น ทีแรกมันจะใสติง๋งต่อไปมันจะเป็นสีสีแดงพอเป็นสีแดงขึ้นมาแล้วแต่เนี่ยอีกสักเจดวันมันจะสีแดงก้อนสีแดงตรงนั้นน่ะเลือดสีแดงตรงนั้นมันจะเป็นก้อนขึ้นมาพออีกเจวันแหมมันจะแดงคข้นขึ้นไปอีกเพราะอีกเจวันมันจะออกเป็นเป็นตุ่ม เ, เป็นปัญจะสาขาขาสองแขนสองสีสระหนึ่งเป็นตุ่มขึ้นมาจากนั้นก็ มันจะใหญ่ขึ้นมาพอใหญ่ขึ้นมาถึงเดือนขึ้นมาออพอเดือนสองสามเดือนขึ้นตัวนั้นวิญญาณท่นวิญญาณคือล่องลอยอยู่เข้าไปเกาะ เ, เข้าไปยึดครยๆเข้าไปจองไอสูตรแท้แต่วิญญาณตัวไหนที่เป็นมีบุญวาสนาหรือว่าเป็นมีบุญมีบาบยังไงเข้าไปเกาะท่านไปยึดไปยึดร่างตัว น, นั้นที่อยู่ในท้องแม่ พอเข้าไปยึดที่นี่ก็ไปคลองพอไปคลองที่นั่นกันพอใหญ่ขึ้นมาพอมีรูปร่างขึ้นมาวิญ ญ, ญาณนี่กระดุกกระดิกได้เลยทนานเอยสายหวัวใสา่เท้าไรเลยเอะให้เข้าาเข้าไปเข้าไปยึดในกุศแต่ปไปยึดใหม่ๆก็เข้าเข้เอาอาอกออกพอเข้าไปแล้วก็ออกพอเข้าไปแล้วก็ออกวิญ ญ, ญาณ น, นี่นะอพอต่อมาพออายุเด็กแก่ขึ้นแก่ขึ้นวิญญาณก็เข้าไปคลองนะท่าน เขาไปคลองอยูใ่ในท้องแม่ถึงกำหนด 8-9 ดเก้าเดือนเก้าหรือสิบเดือนถ้าผู้หญิงถ้าเป็นนมถ้าเป็นสาวเป็นลูกลูกใหม่ลูกใหม่หมเาเดือนแต่ผู้หญิงที่มีอายุมากแล้วสิบเดือนคนโบราณเขาว่าสาวเก้าเท่าสิบคล้ายๆก่าผู้หญิงที่อายุน้อยน่อย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 เราก็ไปเกิดกับคนที่ชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนาบางคนเขาก็มีฐานะดีมีคุณธรรมศีลธรรมเพ้อเพ้อยังดีกว่าแต่พวกที่ร่ำรวยขึ้นมาแล้วไร้คุณธรรมศีลธรรมอย่างนั้นก็มีอีกมากแต่ที่บางคนไปเกิดกับคนทุกคนจนแต่มากตำกว่านะั้นอีกไปเกิดไปจองท้องหมูท้องหมาท้ท้องหัวท้องควายท้องช้างวิญญาณทนเย มันไปได้ทั้งนั้นท่พอมันเกิดออกมาเนะะ่เออเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูหมากาไก่อันนี้ก็เหมือนกันพอออกมาแล้วกับเป็นหญิงเป็นชายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนม่ออกมาแล้วแต่เนี่ยขับรถแล้แนเนีมาอยู่มันอยู่ในร่างกายของเราร่างกายของเรามีสองมีกายกับใจนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านบรรยายไว้ในในพระไตรปิฎก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 คนที่ตายนะี่ยคือผู้ที่ฆ่าสัตว์ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาจินเกิดมาคนนั้นจะอายุไม่ยืนพอเกิดมาแล้วก็ตายบังเผอิอ๋วตายอยู่ในท้องไม่อีกต่างหากเพราะอะไรเพราะชอบฆ่าสัตว์แต่ฆ่าผู้ใดชอบรังแกเบียดเบียนสัตว์ทุบตีสัตว์จนทัดสัดทุกพลภาพเกิดมาพบหน้าชาตหน้าคนนั้นจะมีอวัยวะพิกลพิการ